พระธรรมเทศนาแผ่นที่95าลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่4กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่ากราบตัวเองให้ลงวันนี้เป็นวันที่ส กรกดาคมพุทธศักราช 2,559 พวกเราได้ฟังอุโบสถจบลงสักครู่นี้เมื่อกี้นีหลวงพ่อก็ได้ถามเกี่ยวกับนาคที่จะมาบวชในวัดของเราเพราะว่าเราได้ประกาศไปแล้วว่าวันที่สามกรกดาห้าเก้ถ้าผู้ใดจะมาบวชก็ใหมาวันนั้นถ้าเรินเกินกว่านั้นไปแล้วก็เราจะฝึกหฝึกขานาคลำบาก เพราะว่านาคจะต้องมาต้องฝึกขานาคพร้อมกันภายใน7วันแล้วก็จะบวชวันที่10กรกฎาคมพร้อมกันห้าก้าแล้วก็วันอัสารหะบูชาวันที่19กรกฎาวันที่10เป็นวันเข้าพรรษาอันนี้คือปีนี้นะคือสรุปแล้วก็คือเราจะจะให้ พวกหนักมาก่อนเพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมอัดทบริขารเราจะดูว่าความพร้อมของหนักมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือถ้าหัววัดมากเกินกว่านี้ไปล้วก็ต้องพิจารณานะจะไปรับสุม 4, ส่ม4ีุ่ห้าก็ถามให้ลุงถามลุงพ่อก่อนมีเหตุผลอะไรที่เรานัดมาแล้วทำไมไม่ไม่มาตามนั้นหรือว่าจาวันผิดหรือว่ามีอะไรถ้าหัววัด ไม่ได้มาก่อนเราก็ปฏิเสธไปเลยไปทำตามใจคนมากไม่ได้นะเสียกฎระเบียบประวัติวารศาสานามันไม่ใช่ว่าของเราเมื่อไหร่จะมาบวชเมื่อไหร่ก็มาไม่ใช่ก่อนที่จะมาบวชมันก็ต้องเตรียมพร้อมพอสมควรหลวงพ่อเคยพูดไม่รู้กี่ครั้งขนาดเราจะบวชฟักบวดแฟงบวชกล้วยน้ำว้าเราจังเตรียมกระเตรียม มะพร้าวเตรียมน้ำตาลเตรียมความพร้อมหลายๆอย่างยังค่อยบวชนะแหมบวชพระทั้งองค์บวชพระทั้งทีแหมจะมาปุบปรับยัดเยียดไปเลยมันจะได้หรอเราไม่ใช่บวชอย่างนั้นบวชเพื่อคุณภาพนะไม่ใช่บวชมากขี้ควายหลายขี้ช้างไม่เราเราไม่ต้องการแหมพระไม่มีกฎไม่มีระเบียบแหญาติโยไม่มีก ฎ, ไ ม, มกฎไม่มีระเบียบ มาสุกเอาเผากินไม่ควรจะมีในในวัดของเราจะเป็นถึงจะเป็นวัดอื่นเป็นวัดอื่นไปแต่วัดเราไม่ควรจะมีนะให้พวกเราดูดูนะพระที่เขามาบวชแล้วก็เหมือนกันถ้าเขามาบวชแล้วไม่ตั้งใจเราก็จะจะอยู่ไปจะทำไมนะ่มันหนักวัดอีกเหมือนกันนั่นแหละพอเราต้องการคนดีพระที่ดีพระที่มีคุณภาพคุณธรรมศีลธร ศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนะแล้วก็ช่วงนี้จึงช่วงจนจะเข้าพรรษาแล้วกเรื่องประตูวัดนะคนในวัดของเรานะเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกทั้งในครูด้วยทั้งพวกพระเราด้วยถ้าผ่านประตูเข้าออกต้องปิดประตูทุกครั้งนะถ้าพัดวัดของเราทุใครจะไม่ปิดก็ตามแต่พระในวัดของเราเนะี่ยใครออกไปเข้า ใ, ใครเข้ามา ถ้ามาเห็นประตูวัดถ้าถึงจะเปิดอยู่ก็ตามเต่าต้องปิดเพราะเราเป็นเจ้าของวัดนะเพราะว่าเปิดไว้มันบางทีเต่าเดินงุ่มงามกุ้มงม้ามออไปออกไปนอกวัดจะเป็นไงเขาก็จับขึ้นรถไปกินั่นแนหะมันชีวิตของมันถ้าเราปิดประตูมันเกิดออกไม่ได้เต่ามันออกไม่ได้ที่หลวงพ่อให้ปิดประตูก็เพราะว่ามีแก้ง เจงมีท้องอีกท้องโยอีกทางหากเออมันมายืนหยุดรอประตูเออจะออกไปถ้ามันออกไปขนาดนั้นก็นโดนเขาฆ่ามันก็นสงสารมันมันไม่รู้ออกไปนะ้ะเป็นอะไรเพราะนั้นเรารู้ทางรู้พระอร ร, ร, รู้ถ้าออกไปแนละ้ว ม, ม, มันไม่ปลอดภัยเราก็ต้องเตรียมปิดประตูไว้เพื่อไม่ให้สัตว์ ออกไปภายนอกเขาเขียนไว้อยู่ในนั้นแหอะแต่บางคนเข้ามาเห็นประตูปิดไม่ไม่เข้าวัดหนึ่งกัอันนั้นมันเป็นหลวงพ่อก็เลยบอกว่าคนไม่มีวาสนามันเข้าวัดไม่ได้แล้วมันต้องผ่านไปคนนี่มีวาสนาก็ต้องลงมาดูซะก่อนว่าเราเปิดปิดเวลาเท่าไหร่ปิดประตูใส่กุญแจถ้าหากว่าเราเปิดไว้ก็เหมือนกับเราไม่รักษา เนันพวกเราทุกองนะพระเนนพระของเราทุกองค์ให้ฟังเอาไว้นะีที่ผมพูดนะความปลอดภัยแต่ทางประตูปราชาของมันกันให้แต่ท่านบีเป็นผู้อยู่ทางนู้นนะ่ะใส่กุญแจไว้เลยเพราะไม่ใช่ทางออกทางเข้าทางนู้นน่ะแต่พระที่จะเข้าออกทางนู้นน่ะถึงจะมีงานก็ถึงไม่ให้ออกไม่เข้าทางนูน้นให้เข้าออกทางหน้าวัดปิดไปเลยทางนู้นนะ่ะ เว้นเสียแต่ผมจะไปนะผมก็จะขอลูกกุญแจเป็นบางครั้งเพื่ อ, เ พ, อเพื่อไปตรวจงานตนเองถ้าองค์อื่นนะไม่จําเป็นปิดไว้เลยเว้นสายเสียแต่มีการมีงานออกเป็นบางครั้งเอาของออกไปเท่านั้นเองถ้าจะเข้ามาธรรมดานะห้ามออกให้เข้ามาทางหน้าหน้าวัดนะขนสิงคนของมาตั้งสลารลงไปนะอย่าไปไ ป, ไปทางนี้ ทางนี้มันเพ่นผ่านทําให้จุงเหวี่ยงพุ่นวายเพราะพระอยู่ทางนี้ท่านเตยถึงกลมภาวนาปฏิบัติก็ไม่ควรจะมีรถเพ่นผ่านทางนี้อีกเดี๋ยวจะเป็นทางสองเข้ามาอีกความปลอดภัยของวัดจะไม่มีให้ปิดประตูไว้เลยตัวนี้ปิดตายไม่ใช่ให้เปิดนะบีนะ B, นะให้ฟังเอาไว้อันนี้ประตูนี้นะ ถ้าหากว่าท่านบีไปปิดเลยโดยที่หลวงพ่อไม่ได้พูดได้กล่าวก็ไม่ได้เดี๋ยวหมู่ทุทั้งหลายก็จะหาว่าปิดประตูประตูโดยพระการนะเป็นคำสั่งของหลวงพ่อแล้วก็ น, นี่แหะคืออันนี้คือความปลอดภัยของวัดเมื่อกี้นี่ลูกหลานหลวงปู่ล้นปู่ล้วน ที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อมุกดาหารพูดเมื่อกี้นะี่ก่อนขึ้นศาลานะมาจากไหนลกูกหลานมาจากมุกดาหารมาจากใกล้วัดหลวงปู่ล้วนนะ่ะหลวงปู่ล้วนเคยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อนะเป็นอาจารย์สวดของหลวงพ่อองค์เดียวนะเป็นอนุสาวนาาจารย์นะท่านสวดองค์เดียวอุปชาก็คืออุปชาคำคำพิระยาโนหลวงปู่คำ วัดชีลาวิเศษหลวงปู่ล้วนเน่เป็นวัดสีมงคลเหนือได้ไปเป็นอาจารย์สวดหลวงพอ่อเมื่อคืนเนี่ยคืนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่ามีขโมยมาขโมยเอาตู้เซบตู้ที่ศาลาอยู่ที่โบดตอนที่ไหนไม่รู้ล่ะเอาไปขโมยไปเมื่อคืนเนี่ย แต่หลวงปู่ล้วนไม่อยู่หลวงปู่ล้วนไปนู่นไปอินโดนีเซียนะแล้เราไม่ได้แจ้งข่าวให้ท่านทราบหวัวท่านจะเ ส, เสียอกเสียใจมั้งท่านอายุ ก, ก็8แิบกว่าแนละ้วอายุมากแล้วหลวงปู่ล้วนที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อนะแต่กล้องวงจรปิดจับได้มาเป็นฝรั่งเอ๋เป็นฝรั่งชาวต่างชาติกล้องวงจรปิดจับยกไปทั้งตู้เลยนะ นี่แหละอันนี้พูดให้ฟังนั่นก็คือคือความปลอดภัยของวัดพวกนั้นอยู่นักสถานที่ใดพวกเราอยู่ที่ใดต้องช่วยๆกันดูแลเรื่องวัดวาศาสานาความปลอดภัย mm hmm. ถ้าไม่รักษาจะทำยังไง <c oughs> เราอยู่ด้วยกันเป็นหูเป็นตาขนาดนกอยู่ในป่ามันก็ยังเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลกันมีเหี้ยวมาเนี่ย ตัวไหนเห็นก่อนตัวนั้นก็ร้องเนะตือนหมู่พวกเพื่อนนี่เราอยู่ด้วยกันเป็นพระทั้ง4ี่สิบกว่าองค์นะไม่มีหูไม่ีตาสนะี่สิบกว่าองค์เป็นเท่าไหร่ลูกกตาสองข้างเก้าสิบกว่าลูกนะมันก็น่าจะมองเห็นอันไหนควรไม่ควรอย่างไรนะแล้วก็พร้อมกันในพรรษานี้เนะี่ย หลวงพ่อเองก็ได้บอกพ่าในวัดของเราเนี่ยนะมีทั้งสะพงษ์สะพานมีอะไรมากปีเนี้ยก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างเยี่ยบบ้านสวนก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นทั้งกุฏิศาลาก็พร้อมแล้วนะบ้านสวนทางสำนักชีนะพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรในวัดของเราก็นเนี่ยการก่อสร้างตั้งแต่เมืงปีที่แล้วเราก็ให้ เมื่อวานเมื่อก่อนลูกพ่อก็ให้ท่านหน่อยดูเรื่องศาลาวัดท่านเรื่องหลบเราให้ดูล่างน้ําฝนล่างน้ําฝนให้ทำล่างน้ําฝนเนอะแล้วก็ถังน้ําแล้วก็วของวัดท่านวีบด้วยหนักถังน้ำอ่างน้ําฝนเป็นปแดกถังน้ําแล้วก็วัดท่านเจ้ยอ่างน้ําฝนทางน้ํา แต่วัดท่านเรื่องลนะเกือบจะจบแล้วล่ะพุทลูกอะไรพรีพร้อมแล้วเกือบจะเสร็จแล้วล่ะเกือบจะร้อเปอร์เซ็นะ่ะหมดไปหลายเงินเหมือนกันนะตั้งสองสาล้านคงจะได้ไหแต่เงินปัจจัยของเราคนนะ่ะป่าจะเข้าไปเกือบสองล้านสองล้านกว่ากว่าคงได้แต่ยังอีกสองหลังนะแต่ถึงยังไง2หลังหนะึ่งให้เจ้าอาวาสเป็นผู้คิดเนี่ยทำๆไปก่อน ถ้ามันขาดเลือล้อยเราเราก็ช่วยช่วยไปจะให้เราช่วยทีเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันนะแต่เรื่องทางน้ําก็เหมือนกันถ้าทางน้ําจะหาช่างไปหลอก็คงมองไม่เห็นที่จะทําได้ก็ทําแบบของท่านฉลาดนี่ผมคำซอยเราเทฐานให้เขาแล้วเขาก็ยกถังน้ำมาตั้งตั้งๆๆ้ขึ้นไปแล้วก็ปิดฝาถัางนั่นก็สองเมตร 250เ้าสิบมันก็ใหญ่อยู่สำหรับพระองค์เดียวสององค์น่สักสองถังก็น่าจะน่าจะพอใช้นะถ้าจะให้รลอเองเคงไม่มีปัญญาหรอกขนาดทำอะไรมันก็ทำไม่เป็นทำก็เสียเงินปเปล่าๆ <c oughs> ถ้าจะเอาก็ต้องเอาอย่างงั้นแนหะทางเวนเซต้เจอกของมีความสามารถเออไม่ว่ากันถ้าจะให้เราทำก็คงจะให้ทำลักษณะนั้น แต่เขาก็ทําได้วัดของคุณแม่ชีแก้วเขาก็ใช้กันอย่างนั้นแหละ hmm. เรื่องน้ําฝนก็จําเป็นแต่ละวัดนะแต่มันก็ได้ดื่มได้ใช้ได้ตื่มนะ้นําฝนแต่ถ้าว่าอยู่ในเมืองในกรุงแนละ้วก็มันเป็นน้ํากรดลอยขึ้นไปทางอากาศไม่น่าดื่มแต่เราอยู่ในป่าดงพงไพสารเคมีเหล่านั้นก็มาไม่ถึงหรอกมันห่างไกลาจากเมือง เราก็น่าจะใช้น้ำฝนดื่มน้ำฝนได้สบายๆนะอันนี้นนก็คือการเป็นอยู่ของพวกเราแล้วก็พร้อมกันเนี่ยวัดของวัดของเราถ้าผมไม่พูดให้แกพวกเราท่านทั้งหลายฟังเรื่องจจตุปัจจัยที่เราได้มาใช้มาได้ไปก็ควรจะแจ้งให้หมู่เพื่อนทราบก่อนเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยเขาจะซ่อมเจดีย์หลวงปู่ล่างปูเจ้าก็ แต่เขคงจะหมดไปหลายเงินอยู่ซ่อมที่โมเสกมันหลุดมันชำรุดซ่อมมาสังที่เป็นครั้งที่3แล้วนะครั้งที่แรกก็หมดไปหลายเงินที่2แต่คราวนี้เขาเขจะซ่อมอีกผมก็เอาเพราะเป็นเจดีของหลวงปู่พ่อแม่กูบายจานันเราเป็นเด่น้อยอยู่ ท, ทีนั่นอีกต่างหากเดือด เ, เมื่อเจดีมันชำรุดเออถ้าเราไม่มองไม่ดูเลยมันกัเหมือนกับ พวกเราไม่ใส่ใจในเจดีพิพิธภัณฑ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาในเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วต้องได้รักษาอย่างนี้นะเออ ท, ทีนี้นก็ทางนั่นก็สั่งโมเสกมาจากอิตาลีนะสั่งมาจากต่างเพราะโมเสกตัวนี้นะทีมินมีอยู่แล้วนะเป็นโมเสกของอิตาลีสียี่ห้อและสีอันเดียวกันแต่มาแล้วเขาก็บอกว่า ขอหลวงพ่อจ่ายได้ไหมหรเราก็เอาได้ยินดีอันนี้ก่อนเราจะได้จ่ายประมาณหกแสนนะหมู่พวกเพื่อนนะสี่แสนหกที่ในช่างวานิช โ, โทรขึ้นมาใจไม่เสีย ง, งฮะงฮะในสร้างสมบัติล่ ะ, ะอให้สร้าง้สางสมบัติเนาะสี่แสนหก อันนี้ละอันนึง อ, อันหนึ่งอันที่สองก็คงจะเป็นโรงเรียนน้องสูงสมัคคีวิทยาอันนี้ก็เราโอนไปแล้ว8 0 0แสนยังเหลืออยู่เจแสนเปนล้านหานวันที่13เนี่ยพวกเราคงจะได้ไปมอบอาคารแล้วก็คงจะเตรียมจัตุปัจจัยนี้ไปด้วยอาจจะโอนไปก่อน บัญชีเขาก่อนเนี่ยและวเจตุปัจจัยของเราหกับเจ็ดจะเป็นเท่าไหร่นะลูกหลานเนี่ยมันล้านกว่านะเจะตุปัจจัยวัดของเราอย่างอื่นอีกอที่เราใช้จ่ายไปแบ่งคนนั้นบางแบ่งวัดนี้บางอย่างค่านาา้ําค่าทางน้ําก็ยังไม่ได้คำนวณอีกเท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบอย่างหลางน้ำทิพยหลวงพ่อพูดให้ฟังทางน้ำสามวัด แต่ละวัดเราก็ไม่ได้มองข้ามโรงเรียนโรงพยาบาลเราได้มาเราก็แบ่งซ้ายแบ่งขวายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอันนี้คือปัจจัยที่เรามาได้มาโดยธรรมเราก็แบ่งไปโดยธรรมอันนี้คือการเป็นอยู่ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังที่กล่าวมาการเป็นอยู่ความปลอดภัยของวัดให้รักษาวัด แล้วก็การดูแลหมู่พกเพื่อนที่ขาดเหลือขาดตกปัจใจสีภายในวัดตรงไหนบ้างที่เราจะช่วยเหลือกันมาช่วยเหลือกันได้เราก็ไม่ได้นิ่งดูดายแล้วก็วันที่วันพุ่งนี้นะ่ะเราก็จะได้ไปวางสิลาเลิกวัดป่ารวมธรรมทันรัตนาอีก นี่เราก็มอบปัจจัยให้ท่านไป 50,000 มั้งให้บอกปัจจัยว่าเป็นเช็คให้ท่าน5 0 0 0มไปจัดงานเนอะก็จะไปทำใหญ่นะหมวนกูบาจานมานกันไม่กี่องค์หรอกวางเจแล้วเลิกจะได้เริ่มลงมือสร้างศาลาแต่ผู้ที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ก็คือท่านอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ท่านดรฮิรันรดีสีอตานอาจารย์นงเยาทาเป็นเจ้าภาพที่จะสร้างอาคารสร้างสลาหลังนี้ตามที่เซ็นสัญญามัน8ดล้านห้าหรือ8ดล้านสี่ผมก็จำไม่ได้ประมาณนี้แหละเซ็นจะเซ็นสัญญากันวันนี้แหละวันพุ่งนี้แหละที่วัดรวมธรรมวัดทันรัตนะเพราะนั้นผมจอาจออกไปแต่เช้ามืด น, นะวันพุ่งนี้ ตีหคงจะออกไปตอนเย็นวันนี้ก็เป็นวันพระผมก็อยากจะพบกับรัดไทา ญ, ญาติโยมพระเนนลูกหลานจะได้พูดกันว่าเตรียมพร้อมการเข้าพรรษาปีห้าเก้านี่ยทั้งในครัวทั้งในวัดของเราทั้งฝ่ายอุบาสิการพร้อมหมากน้อยแค่ไหนตลอดถึงญาติโยมผู้เกี่ยวข้องกับวัดด้วยนะหลวงพ่อคงไม่ไปเย็นวันนี้คงจะไปตอนเช้านะอันนี้คือ พวกเราควรรควรรับรู้รับทราบแล้วก็พร้อมกันวันนี้เป็นวันอุโบสถแรม15คห้าตามให้จริงเดือนเจ็มันน่าจะแรม14แต่ทำไมปีนี้แรมสิบห้มันเดือนขี่มันน่าจะแรม14บ่ค่ำดับ14บสี่ค่ำอันนี้ดับสิบห้าค่ำเดือนเจดับ15บห้าค่ำวันนี้พวกเราได้ลงอุโบสถ จ, จบลงสักครู่นี้ ก็มีพระทั้งหมดสี่สิบเจ็ดรูปที่ฟังพระปฏิโมก์แต่ทึงยังไงขอให้พวกเราพระเนนทุกองค์พระทุกองค์ที่มาอยู่ด้วยกันให้ทั้งอกตั้งใจรักษากฎระเบียบที่หลวงพ่อได้พูดมาในการขึ้ น, ก, น, น, นการอยู่ด้วยกันคือกฎระเบียบส่วนหนึ่งแต่กฎระเบียบหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ที่เราสวดจบหลงัลงสักครู่นี้คือในศีลส2งรพูดเป็นภาษาบาลีแต่พวกเราไม่เข้าใจรเพราะพวกเราไม่ใช่ภาษาของเราเราก็ปนมมือฟังแต่ถ้าเราอยากจะรู้มีแปลอยู่ในนั้นมีอัดอัดก็คือเป็นบาลีแปลคือเป็นภาษาไทยมีอยู่ ให้พวกเราศึกษาถ้าเราใยในการศึกษาเรียนรู้นะอันนี้สรุปแล้วคือศิน227ีที่ลงที่พวกเราสวดตรงสวดจบกรงสักครู่นี้ที่มีพระที่ท่านขึ้นแสดงแล้วก็พวกเราก็นั่งปรนมือกันฟังทั้ง46กรนะูปอันนี้ก็คือศินและวิในศินและวิในเราเคารพศินและวิในยอยู่ ศิลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้หลวงพ่อพูดไป่รู้กี่ครั้งตัวกี่หนเหมือนกันแต่ภาะรุ่นหมายมาก็ไม่ได้ยินหลวงพ่อก็พูดให้ฟังอกีกเพื่อให้เราได้ศึกษาเรียนรู้แล้วอีกอย่างหนึง่งพวกเราเข้ามาอยู่วัดของหลวงพ่อไม่ใช่ว่าเข้ามาเพื่อความสะดวกสบายนะให้ตั้ง จะไปคิดว่าเข้ามาแล้วจะได้รับความสบาย เ, าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนกับเราไปตักอากาศในชายหาดทะเลแล้วว่าไปภูเขาพักรีสอร์ทไม่ใช่อย่างนั้นลูกหลานนะพระเนนทุกองนะเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แล้วจะนานไปประพฤติปฏิบัติเหมือนกับมาเข้าโรงเรียนลักษณะอย่างนั้นละ่ะที่มาสุวัด เพราะนั้นหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นเจ้าของสำนักหรือเจ้าของวัดจะต้องหาความเล็ดคิดนึกคิดหาความรู้วันนี้เราจะแนะนําสั่งสอนลูกหลานของเราอย่างไรพระเณรของเราอย่างไรที่จะได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักพระธรรมวินยัยหรือเข้าเข้าใจในวิธีการปฏิบัติศินสมาธิปัญญาตามแนวแถวของพุทธะ หลวงพ่อก็เป็นหาวิธีการหรือ่อได้ศึกษามาอย่างไรได้เรียนรู้มาอย่างไรได้ปฏิบัติเข้าใจอย่างไรหลวงพ่อก็ได้นําความรู้นั้ น, น, นมาแนะนําบอกกล่าวให้กับผ้าลูกหลานให้ได้ศึกษาในเมื่อลูกาลูกหลานผ้าลูกหลานได้ศึกษาแล้วต่อไปภายภาคหน้าทางว่าเราเป็นครวา่าตเราก็นํา ความรู้ที่เราได้ศึกษาที่เป็นคารวะก็มีเยอะแยะที่ลุงพ่อแนะนำบอกกล่าวไปพวกเราก็ได้นำแนวแถวคารวะนั้นไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราแล้วก็นำไปเพื่อให้เป็นเครื่องชี้นำชีวิตของเราไปในทางที่ถูกต้องให้เราเดินตามแนวแถวพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าอันนี้คือที่พวกเราเข้ามาศึกษา แต่สำหรับพระที่เขามาศึกษาที่เป็นพระที่จะอยู่เป็นตลอดไปอันนี้หลวงพ่อก็แนะนําสั่งสอนอีกอย่างหนึ่งอีกเหมือนกันให้พวกเรามุ่งมั่นแต่ในหลักพระธรรมวินัยให้มีศีลาจาระวัตที่มีกิริยามา ร, รยาทที่ดีให้เป็นที่ให้เชื่อมั่นในตนเองสรุปแล้วคือคือให้กราบตนเองได้ เ, เราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เรากลับตัวเองตนเองได้ไหม ถ้าเราเป็นเราเนะ่เราจะกราบเราได้ไหมเราจะกราบเราลงไหมถ้าปฏิบัติอย่างนี้เราต้องยอมยืนยันเลยข้าไปเจ้ากราบวันละกี่ร้อยครั้งก็ได้ถ้าข้าไปถ้าหาว่าเป็นพระอย่างเราถ้าหาว่าเป็นพระอย่างเราประเพืปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเราเป็นใครก็ตามเราจะมากราบเราเนะีเรากาบได้ลงชนิดใจเลยในการดำรง ในศีลสมาธิปัญญาเรื่องแนวความคิดของเราในขณะนี้นั่นแหะแปลว่าเชื่อมัน่นเชื่อมั่นว่ากราบตนเองลงแล้วก็ให้คนอื่นกราบเราได้ไ ม, ไม่กระดากอายเพราะอะไรเพราะเราทําดีเราเป็นพระที่ดีอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยแต่ถ้าว่าพวกเราคิดทำโพดก็ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยและจะให้คนอื่นกราบ คนอื่นกลบับตัวเองก่นนนะแบบจิตใจสะทานหวั่นไหวไกวแกว่งเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่มั่นไม่มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติของตนเองสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราตรวจตราดูตนเองอยู่เสมอไม่มีใครที่จะตรวจตราดูตัวของเราได้นอกจากตัวของเราเพราะนั้น ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่คือคือพวกเราให้มาศึกษาที่เข้ามาเนี่ก็มาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างหลวงพ่อไปศึกษากับครูบาอาจารย์ตั้งแต่เป็นเนนน้อยจนถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นตุเป็นตเป็ น, ป น, ป น, ปนจิตจะรลักษณะก็คือเข้ามาศึกษาที่วัดป่าบ้านตาดอพอศึกษาจากวัดป่าบ้านตาดแล้วนะ หลวงพ่อก็ไม่ได้ไปศึกษาวัดอื่นอีกต่อไปออกมาจากวัดป่าบ้านตาดก็มาตั้งสำนักที่นี่เลยถึงจะสร้างสำนักที่นี่เองก็เถอะอย่างบกปุ่นเวียนเข้าไปกราบคารวะองหลวงตาแล้วองคหลวงตาท่านก็ยังมียังเมตตา ม, มาเยี่ยมเยียนวัดเราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น่หลวงพ่อเองก็ได้เข้าไปกราบคารวะหลวงตาเป็นครั้งคราวเกือบจะไม่เคดเคยขาดนี่แหละอันนี้ก็คือเรายึด แนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสเราตายใจเราสนิทใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติของท่านท่านแนะนำสั่งสอน เ, อาเราปป่งใจในการแนะนำสั่งสอนของท่าน เ, าเา่าคนนี้จากนั้นเราก็ไม่ได้เคยไปที่ไหนและไปศึกษาที่ไหนแต่ไปอยู่ไปกราบไปไหว้ธรรมดาเคารพสักการะ ครูบาอาจารย์เราไม่ได้ประมาดเราไม่ได้ดูถูกองค์ไหนทั้งนั้นทั้งนั้นถือว่าเป็นครูบาอาจารย์แต่ว่าที่จะเป็นครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเราที่เราสนิทใจตายใจก็คือองค์หลวงตาจากนั้นมาเราก็ไม่เคยไปที่ไหนอย่างที่ว่าออกจากที่นั่นมากับที่นี่เลยจากนั้นก็เราก็ศึกษาในธรรมะปฏิบัติของท่านที่ท่านแนะนำสั่งสอน วันนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อพูดให้ฟังพวกท่านทั้งหลายที่เขามามาอยู่กับผมเป็นมีเวลาน้อยแต่พวกท่านจะไปที่อื่นผมก็ไม่ได้มีความกีดกันห้ามไม่ให้ไปแต่ท่านจะไปก็ต้องมีเหตุผลที่จะต้องไปที่มาก็เป็นต้องมีเหตุผลจะต้องมาแต่ถึงมาอยู่ที่นี่อ เราจะมาอยู่แบบโลเลยแหละอยู่แบบไม่จริงจังไม่ได้ต้องอยู่ในกฎระเบียบถ้าหากว่าท่านจะไปที่อื่นก็รีบไปไม่ต้องอยู่ให้เสียเวลาไม่อยู่แบบมาอยู่แบบไม่ตั้งใจคนหนึ่งพายเรือเอาคนหนึ่งเอาขาลากน้ำไปมันไม่มันไม่ถูกต้องในเมื่อพายเรือต้องรับพายเรือพร้อมกันมันจะเป็นกฎระเบียบ ดูและสวยงามแต่คนหนึ่งพวกกลุ่มตั้งอกตั้งใจพายเรือแต่ตัวเองไม่ตั้งใจเพราะไม่เขารบศรัทธาเอาขาลากน้ําเอาขาลาน้ําไปอันนั้นครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านดูถูกท่านประนามว่าผ้าองนั้นใช้ไม่ได้ควรจะไล่หนีออกจากวัดหลวงปู่ล่าท่านพูดเสมอว่า คนหนึ่งพายเรือคนหนึ่งเอาขาลาน้ําฮ่นี่ก็เหมือนกันให้พวกเรามาอยู่ด้วยกันให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีในกิ จ, จวัดข้อวัดอันไหนมันถูกต้องอันไหนเป็นธรรมให้พวกเราช่วยๆกันแต่ไม่ให้หนักองค์ใดเบาองค์ใดองค์งหนึ่งพอเรามาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องคนละไม้คนละมือถ้าเรา มีความพร้อมเพียงสามัคคีการกระทําไม่เห็นจะหนักที่ตรงไหนทํามันหนักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราคงไม่ให้ทําแต่นี้ผมเองก็เคยทําผ่านมาแล้วไม่กิจวัตรข้อไหนตัวไหนที่ผมไม่เคยทําผมทํามาจึงได้เอามาบอกหมูมาเห็นกับหมู่แนะนําหมู่ให้หมู่ทําเพื่อเป็นแนวทางแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านทั้งหลาย เมื่อจะเป็นผู้ใหญ่ก็จะได้นำบอกกล่าวลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาศึกษากับพวกท่านให้เป็นจิตจะลักษณะให้เป็นกฎเกณฑ์ท่าว่าหัวหน้าเลาะเะและ่แหลมันไม่ใช่อื่นไกลนะหัวหน้าทำให้เสียหายได้ไม่ใช่เสียหายตนเองนะเสียหายพุทธศาสนาเสียหายกฎระเบียบพระกรรมฐานเสียหายกฎระเบียบของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ กูบาอาจารย์พ่อแม่กูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้จริงจังและจริงใจพาสิทธิานุสิทธิ์ประพฤติปฏิบัติตัวเองก็ไปศึกษาพอไปศึกษากันนะั้นออกไปกันนะั้อันไหนที่มันเร็วๆขี้เกียจบินทบาทอีกอมีแต่ฉันมีตะโม้มีแต่คุยอีกออกนอกลูก่นอกทางอีกแล้วจะเป็นผู้นําในการวิธีปฏิบัติได้ยังไง เวลาพูดนะย็ดปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันไหนคือปฏิปทาของท่านท่านเคยพูดเคยทำเคยปฏิบัติอย่างนั้นมาไหมสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงให้พวกเราฟังเอาไว้นะสิ่งไหนก็ตามที่ผมไม่เคยถ้าผมห้ามถ้าผมบอกแนะนําสั่งสอนพวกท่านมาอย่าทำนะจะแดงวนันให้พวกท่านทั้งหลายฟังเอาไว้เมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาันนั้น ผมได้แ น, แนวได้ฟังมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตามาแล้วที่นํามาประพฤติธปฏธิบัติจึงมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวถ่ายทอดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังอีกนี่แหละคืออันนี้คือกฎระเบียบการเป็นอยู่เรื่องศีล ส, สมาธิปัญญาเรื่องสมาธิและปัญญานะั้นนั้นกับผมก็สอนบอกกล่าวพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ถ้าเรามีกฎระเบียบกฎเกณฑ์ดีแล้วนะอยู่ในกฎระเบียบดีแล้วการภาวนาก็ทำจิตใจให้สงบได้สมาธิก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายและเมื่อเดินพิจารณาทางวิปัสสนาก็เป็นวิปัสสนาที่แท้จริงมันจะไม่เป็นสัญญาสังขารหลอกลวงตนเองเป็นสันเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่แท้จริงพอจิตใจของเราผ่านความสงบ หลวงพ่อเองพูดได้เลยว่ากูบายจานองหลวงตาแต่ท่านพูดได้เลยว่าสมถะและวิปัสนาเป็นของคู่กันไปด้วยกันเหมือนกับขาซ้ายกับข า, ข, าขวาหลวงพ่อพูดนะเปรียบเทียบให้ฟังแต่ท่านก็ไม่เคยพูดอย่างหลวงพ่อพูดนะหลวงพ่อพูดให้ฟังสมถะคือขาขาซ้ายวิปัสนาคือขาขวานะแต่ต้องไปด้วยกันเมื่อทำจิตใจให้สงบซะก่อนและนั่งนำมาพิจารณาทางด้านปัญญา ก็จะเป็นปัญญาที่แท้จริงถ้าว่ามีแต่ขาขวาขาเดียวนะกระโดดกระโดดไปมันไปได้กี่น้ำละ่ะจะมีแต่สมาธิมีแต่สายขาซ้ายขาเดียวมีแต่สมาธิมันก็ไม่เกิดไม่เกิดปัญญาไม่รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันเพราะนันทั้งสองอย่างสมถะและวิปัชนามันไปด้วยกันคืออันดับแรกก็คือทําจิตใจให้สงบซะก่อนทําให้สงบพยายาม แต่มันไม่สงบสเลยหลวงพ่อจะทำเอาพิจารณาเลยก็ได้พิจารณาเป็นบางครั้งแล้วกลับมาหาความสงบเ อ, อมากําหนดลมหายใจเขาอีกเขามีสติแล้วก็พิจารณาอีกออขยับไปขยับมาขยับพาที่ถ้าวันมันไม่สงบออกพิจารณาใช้ปัญญา ใ, ใช้ความตัวนึกคิดนั่นแนหะมาพิจารณาร่างกายเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายเกสาผมโลมาขน จนแยกให้เป็นดิมดินน้ำหลมไฟในร่างกายของเราที่เราเห็นชัดเจนในความนึกคิดของเราเห็นชัดเจนที่ตรงไหนเราเอาสติจับอยู่ตรงนั้นจ่ออยู่ตรงนั้นไม่ให้ขยับขยื่นให้จ่ออยู่ตรงนั้นให้กําหนดอยู่จุดนั้นที่เราเห็นชัดเจนจากนั้นใจของเราเมื่อเห็นชัดเจนใจของเราเมื่อก็ต้องเข้าสู่ความสงบนิ่งเมื่อความสงบ อันนี้หลวงตามหาบัวท่านว่าปัญญาอบรมสมาธิใช้ปัญญาคือความแนวความคิดเจ้ก่อนคิดไปเจก่อนจนหล่นแหลกเจ้ก่อนตะล่อมไปตะล่อมมาเจ้ก่อนจนเห็นชัดเจนแล้วก็เอากําหนดอยู่จุดนั้นเมื่อเห็นจุดนั้นแล้วกันนะกำหนดดูอย่าให้มันไปที่อื่นอันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาก็คือเราพยายามนั่ง กำหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโธหรือกรรมฐานไหนก็ได้ในกรรมฐานสี่สิบนั่นหรือภาวนาตายตายตายก็ได้หรือภาวนาธรมโมธรรมโมก็ได้เวลาสังโคสังโคก็ได้ในหลายๆอย่างกรรมฐานสี่สิบเราศึกษาจากนั้นเรานํามากําหนดในตัวของเราหรือมีสติสัมปชัญญะในตัวของเราผลในสุดใจของเราก็จะรวม เพราะใจของเราไม่ส่งออกไปข้างนอกเมื่อใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งใจใจที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวรวมเน่งเมื่อถอนขึ้นมาจากอัปปนาสมาธิแล้วนำมาพิจารณาทางวิปัสสนาอันนี้คือถูกต้องที่สุดร้อยเอร์เซ็นตแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่ไม่รวมถึงขนาดนั้นเป็นอุปจาระแต่มันเอาลงสมาธิอัปปนาไม่ได้เราก็พิจารณาเลยก็ได้ มันก็เป็นปัญญาเหมือนกันแต่จะให้แนวแน่นิ่งชัดเจนนัน้นยังไม่ยังไม่ท่ายขนาดนั้นท่านมันผ่านสมาธิแล้วนะทั้งเดินวิปัสสนามันจะเห็นได้ชัดกว่าเหมือนกับเรานิ่งเราเยือนเราจะมองเห็นอะไรก็เห็นได้ชัดกว่าที่เราเดินขยับไปขยับมาแล้วมองอของเล็กๆมันจะมองไม่เห็นเพราะไรเพราะใจของเราไม่นิ่งพอ นี่แหละหลวงพ่อก็ยังเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับ เ, เขาตัดเหล็กนะเอาใช้แก๊สใช้ไฟใช้ลมทั้งที่มันเป็นไฟเป็นลมอ่อนๆใช่ไหมทั้งเป็นไฟเป็นลมแต่ทําไมตัดเหล็กแข็งแขงขาดนะตัดเหล็กแข็งแขงขาดเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นหนึ่งอมันจาะเข้าไปจนไฟน่ะเขียวปั๊ด พจ อ, อเไปมันเป็นแก๊สแก๊สก็คือเชื้อเพลิงลมก็เป็นเป่าออกไปไฟก็คือความร้อนมันปผสมผสานกันทั้งสมแต่ให้เป็นไฟที่หนึ่งเดียวไฟตอนหลี่อย่างจุดๆแล้วก็แรงอีกต่างหากตัดเหล็กโอ้ซิหนาๆเป็นหลายนิ้วเหล็กยังขาดกระจุยเลยละลายไปเลยทําไมเพราะมันเป็นหนึ่ง นี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละท่าใจของเราเป็นหนึ่งที่เจนที่จิตที่เป็นสมาธิดีเรานํามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเห็นชั ด, ชดเจนในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิจะมองข้ามไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวขาขวาข า, ขาซ้ายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะผ่าเนรทุกองในพรรษาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยผมไม่มองเห็นอย่างอื่นพวกเราเขามาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อ มาภาวนาไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นประกอบคุณงามความดีถ้าเป็นบุญกุศลก็เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่เราภาวนาไม่มีกุศลใดที่จะยิ่งใหญ่กว่าเรื่องจิตภาวนาที่จะทำให้พ้นทุกในวัตสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดคือจิตภาวนาแต่เรื่องทานเรื่องศีลนั้เป็นส่วนประกอบเราจะไปมองข้ามไม่ได้เหมือนกับต้นไม้ตรงพ่อเคยเปรียบเปรียบเทียบให้ฟังกะพี เปลือกกระพี้เราจะได้แก่นเราจะได้แก่นตน้นไม้เราก็ต้องมีเปลือกมีกระพี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าจะมีแต่กระพีอ้อย่างเดียวไม่ใช่มีแต่เปลือกอย่างเดียวถ้าเราต้องการแก่นนี้ก็งเหมือนกันนะเรื่องทานเหมือนกับเปลือกศินเหมือนกับกระพี้แต่เราต้องการแก่น เมื่อมีเปลือกขึ้นมาแล้วก็ต้องมีกระพรีแต่ก็สร้างแกน่นต่อไปกระแก่นก็โตขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับต้นไม้นี่ก็เหมือนกันเราจะไปปลูกแกน่นเฉยๆไม่มีหรอกเอาไม้ต้นไม้มาปลูกแกน่นเฉยมันก็ต้องปลูกเป็นเม็ดซะก่อนต่อมาวันใหญ่ขึ้นมากะยังที่พวกเร า, เาก็ปลูกอันนี้คือธรรมชาติในการเป็นอยู่อันนี้คือธรรมชาติของคุณธรรมศีลธรรมในจิตใจของเราก็ลักษณะอย่างนั้นละ่ะ วันนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะให้ช่วยกันดูแลไม่ใช่วัดวัดของเราไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะเราไม่ได้มอบให้ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้มอบให้หลวงพ่ออีกต่างหากมอบให้พระลูกหลานทุกองค์พระของเราทุกองค์ให้ช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาช่วยกันดูแลรักษาเ mm hmm. พราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดพระพุทธเจ้ามอบให้กับพระสงฆ์สาวก พระสงฆ์ทั้งหลายศาสกาญ บ, บุตรพุทธชินโนรสหลวงพ่อก็เป็นลูกคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าพวกท่านพวกท่านก็เป็นน้องๆเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้อยู่ในหลักพระธรรมวิ น, นัยสรุปแล้วข้าพเจ้ากราบข้าพเจ้าลงไหมการกระทําของข้าพเจ้าในขณะนี้ถ้าตัวเองก็ยังกราบตัวเองไม่ลงแสดงว่าเราชักจะ แย่แล้วเพราะไรเพราะการคิดการทําการพูดของเราไม่ไปตามแนวแถวของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ไปตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําบอกกล่าวเพ่อให้พวกเราตรวจตราดูตนเองนะไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวพวกพวกเราเองแต่ละท่านนะะวันนี้ก็ได้กล่าวตเตือน กล่าวเตือนย้ำให้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มุ่งมั่นในการประกอบคุณงามความดีในให้อยู่ในคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมที่ดีตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อนนี้ไปสวดท้ายพ ร, ระปฏิโมก น, นนีนะ